เทศมหาชาติพระเวสสันดรชาตกติสามกันหนึ่งพันพระคาถาที่มูลนิธิท่าพิธธรรมวัดพระเชตุพนหรือวัดโพธาเตียนโดยพระอาจารย์สมชัยภาสุทโรวัดใหม่ยายเต้นแขวงบางขุนนนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้เปรียบประดุจพระอาทิตย์ทรงมีพระสัตย ธ, ธรรมเป็นดังพวงแห่งรัศมีทรงกำจัดความมืดคือโมหะอันใหญ่หลวงโดยประการทั้งปวงได้แล้วทรงยังหมู่เวนยชนผู้เปรียบดังดอกประทุมชาติให้รู้ตามทรงเป็นดั่งดวงตะวันที่อุไทยขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก ขอนอบน้อมพระสัทธรรมอันกระทำความสว่างสวยัยให้ปรากฏแก่ชาวโลกรุ่งเรืองด้วยรัศมีคือพระคุณนานาปการและขอนอบน้อมพระอริยสงสาวกผู้เปรียบประดุจ ด, ดอกบัวอันบริสุทธิ์เบิกบานแล้วผู้ตั้งมั่นอยู่ในสีราที่คุณเป็นต้นมีเกียรติอนุดงาม ปรากฏด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาด้วยเสียงกา้าบเมื่อข้าพเจ้ากระทำการนอบน้อมพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นวัตถุที่บ่มบุญอันประเสริฐขอพระเดชเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นจงช่วยกําจัดพนตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังและแก่ข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์แก่การสังสาทายายมหาชาติพระเวสสันดรชาดกนี้เพื่อให้ชนทั้งหลายได้ถือเอาแก่นสารที่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความไพ่บณ์ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงตระหนักสร้างใจฟังเป็นอย่างดีซึ่งข้อความที่ข้าพเจ้าจะกล่าวพนานาต่อไปด้วยเทิร นะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธิติวรวรรณาเพวรสุทัสสทาวเร ปะทับพยาจารุปุพังคียังตุหังมณโสอิยยงเท ว, วราชามโม ต, ตยัตุกิงปาปังปกตังมยาธรร ม, มาจาเวติมังธานาวตตวะธรณีรุขหันตีติณโอกาสบัดนี้อาจมภาพ จะได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในคำภีกุตการนิกายมหานิบาทชาดกว่าด้วยชาดกที่สิบคือพระเวสสันดรชาดกเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบถึงความเป็นมาแห่งการบำเพ็ญทานบรารมีของสมเด็จพระบรมโรคกาณาช ศ, ศา ส, สดาจารย์เมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญพระบรารมีผูที่สมพานอยู่ พอสมควรเกวราซึ่งพระเวสสันดรชาดกนี้มีทั้งหมดสิบสามกันประกอบด้วยหนึ่งพันพระคาถาสำหรับการที่หนึ่งนี้ชื่อว่าทศพรซึ่งหมายถึงพรสิบประการประกอบด้วยสิบเก้าพระคาถาดำเนินเนื้อความว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศ า, ษ า, ษาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ประทับอยู่ที่นิโครธารามซึ่งอยู่ในกรุงกิลพิสภัตทรงปาราบถึงผลบกคคลพัตให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงทรงตรัสเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้ให้เป็นผลโดยมีคำเริ่มต้นว่าบุตติีติวรวัรนนาเพเป็นอาธิซึ่งมีเนื้อความโดยพิสดาลที่จะแสดงสืดต่อไปว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระจอมไตรสัจดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้บรรลุพระสัพพัญญตญาแล้วก็ได้เสด็จไปโปรดประธานพระเทีนนาทำมาจากอันประเสริฐแก่ท่านปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปาตนะมฤุทายวันแล้วก็ได้เสด็จไปสู่กรุงราชคลึกโดยลําดับตามนิคมจนบทน้อยใหญ่ แล้วก็ทรงประทับอยู่ในกรุงราชพฤก์นั้นจนล่วงเหมันตารุดูจึงได้เสด็จกลับไปสู่กรุงกบลิลพัทเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยพระอาหารหันต์สองหมื่นรูปโดยมีพระการุธายีเป็นมักุเทศนำเสด็จครั้งนั้นกษัตริย์สกยราชทั้งหลายได้ประชุมตกลงกันว่าพวกเราจะได้เห็นพระจิตถะคุมารผู้เป็นญาติอันประเสริฐของพวกเรา พวกเราควรที่จะหาสถานที่รับรองให้เป็นที่สมควรแก่พระเกียรติยศจริงจะถูกแล้วทรงกําหนดเห็นพ้องต้องกันว่าราชอุทยานของนิโกทะสากยักุมารเป็นสถานที่มันน่ารื่นรมยินดีจึงทรงจัด ก, การต้อนรับในนิโคธารามนันแล้วจึงพร้อมกันถือดอกไม้ของหอมไปคอยต้อนรับเสด็จ สมเด็จพระบรม ศ, ศาสดาจารย์ในการรับสเสด็จคราวครั้งนั้นได้มีการจัดกระบวนเป็นเหล่าๆคือขบวนที่ออกหน้าซุ่งล้วนแล้วแต่เป็นทารกทาริกาที่ประดับประดาด้วยสัพพาภรณ์อลังการกระบวนถัดมาเป็นพระราชกุมารกุมารีถัดจากนั้นมาอีกก็ถึงบรรดาสกิยราชทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ออกไปต้อนรับที่นิโครธาราม สมเด็ดพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์พุทธบริวารประมาณสองหมื่นรูปรั้นสเสด็จถึงนิโคทารามแล้วก็ประทับนั่งบนพุทธ า, า์อันประเสริฐรังนั้นกษัตริยราชทั้งหลายจึงทรงดำริกันว่าพระสิทธะกุมารนี้เป็นเด็กกว่าเราทั้งหลายมากเป็นน้องเป็นหลานเป็นบุตรของพวกเรา รั้นดำริดังนี้แล้วจึงมีความมานะเยอย่หญิงถือตนเห็นว่าพวกตนมีวัยวุฒิสูงกว่าจึงไม่ถวายบังคมแต่ให้พระราชกุมารกุมารีซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าถวายบังคมกันสมเด็จพระบรมศาสดาทรงดำริว่าระญาติทั้งหลายของเราย่อมไม่อ่อ น, น้อมยอมถวายบังคมเรา เพราะมีความถือตัวด้วยมานะอันกระด้างซึ่งเป็นการอันไม่สมควรเราจะให้พยาธทั้งหลายละมานะความเยื่อยิ่งถือตนนั้นฉนั้นทรงพระราชดำ m ฤิอย่างนี้แล้วจึงทรงเข้าเจตุชฌ า, านแล้วอธิษฐานอภิญญาเหมาะขึ้นสู่เวหาอากาศเหมือนกับจะโปรยละอองพระบาทลงบนเสียนกล้าวแห่งพญาธเหล่านั้น พอพระเจ้าสุดโชธนะมหาราชผู้เป็นสมเด็จพระชนกนาถได้ทอดพระเนตรเห็นเป็นอัศจรรย์ดังนี้แล้วจึงตรัสว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ประเตอในวันที่พระองค์ประตูตพวกพี่เลี้ยงได้เชิญพระองค์เข้าไปเพื่อจะให้ไหว้กาละเทวินดาบทแต่ข้าพระองค์ได้เห็นประบาททั้งสองของพระองค์ กราบขึ้นไปตั้งอยู่บนสีตะของการะเทวินดาบทนั้นข้าพระองค์ก็ได้กราบถวายบังคมพระองค์เป็นครั้งที่หนึ่งแล้วในคราวที่ข้าพระองค์กระทำวิธีวักปะมงคลแรกนาฝันได้เชิญพระองค์ให้ไปบัรทมอยู่บนพระยี่ผู้ทันมีความงดงามใต้ร่มเงาไม้ว่าถึงเวลาเงาต้นไม้ทั้งหลายบ่ายร้อยไปแต่เงาต้นว่านั้น ก็ยังหาได้บ่ายร้อยไปไม่ข้าพระองค์ได้เห็นความอัศจรรย์อย่างนั้นจึงได้ถวายบังคมพระองค์เป็นครั้งที่สองมาคราวนี้ข้าพระองค์ได้เห็นพระปาฏิหารย์อันยังไม่เคยเห็นนี้จึงได้ถวายบังคมพระบาทของพระองค์เป็นครั้งที่สามดังนี้เมื่อสมเด็จพระบรมขัติยาธิบดีสีสุโธตนะมหาราช ถวายบังคมพระบาทของสมเด็จพระโลกนาฐเจ้าด้วยเสียงกราวของพระองค์แล้วในเวลานั้นก็ไม่มีกษัตริย์สากยราชพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่จะสามารถตรงนิ่งเฉยอยู่ได้จึงได้พร้อมใจการถวายบังคมองสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยกันทั้งนั้นฝ่ายสมเด็จพระบรมโลกนาธชเจ้าจึงสเสด็จลงจากอากาศ ระทับนั่งบนพุทธอาฏอันปูราชไว้ดีแล้วโดยมีพระอรดยญาติทั้งหลายที่มาประชุมร่วมกันนั้นแวดล้อมด้วยจิตใจอันอแน่วแน่เรื่องไตรสัทธาในขณะนั้นมหาเมฆใหญ่ก็ตั้งขึ้นยังหาฝนบูกขอรพัชให้ตกลงน้ำฝนนั้นมีสีแดงส่งเสียงสู้ซาไหลไปสู่ที่ลุ่มชนเหล่าใดต้องการให้เปียกก็เปียก เมื่อไม่ต้องการให้เปรียบ ก, ก็จะไม่เปรียบดูเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักภิกษุทั้งหลายจึงสนทนากันว่าันนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักสมเด็จพระบรมจอมใจสาสดาจิงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตนโบกคอรพัทอันมีลักษณะเหมือนกับน้าที่ตกลงบนใบบัวนี้จะได้ตกลงในสมาคมแห่งมู ญ, ญาติของเราตถาคต ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไหม่แม้ในปางก่อนผลบุกอรภันี้ก็เคยตกลงมาในสมาคมแห่งหมู่ญาติของเรามาแล้วเช่นเดียวกันรั้นตัดดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงนิ่งเสียภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องในอดีตที่พระองค์กล่าวถึงนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้ ติดต่อไปความว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายในอดีตการมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าสีวีมหาราชรงราชาสมบัติอยู่ในกรุงเชตูดรราชธานีเว่นแคว้นสีทีมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าสันชัยราชกุมารเมื่อทรงเจริญ ว, วัยวัฒนาการขึ้น พระเจ้าสีวีมหาราชก็ไปทูลขอพระนางพุษดีราชกุมารของพระเจ้ามัทราสมาอภิเษกให้เป็นเอกอัครมหสีแห่งสันชัยราชกุมาร น, นั้นและทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระสันชัยราชกุมารครอบครองก็แลเรื่องของพระนางพุษดีนั้นมีความเป็นมาแต่ครั้งในอดีตว่า นับย้อนหลังจากกลับนี้ไปได้เก้าสิบเอ็ดกับมีสมเด็จพระสีสันเพชพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกในการนั้นที่เมืองพันธุ ม, มดีซึ่งเป็นพระนครของพระเจ้าพันธุมราชพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอยู่ใน เถมะวะโนทยานใกล้กรุงพันทุมดีก่อนหน้านั้นพระราชาพระองค์หนึ่งได้ส่งดอกไม้ทองคําอันมีราคาแสนหนึ่งกับแก่นไม้จันแดงไปถวายแก่พระเจ้าพันทุมมาราพระเจ้าพันทุมราชนั้นมีพระราชธิดาอยู่สองพระองค์เขาเธอจึงได้พระราชทานแก่นจันแดงแก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ ส่วนดอกไม้ทองคํานั้นได้พระราชทานแก่พระราชธิดาองค์น้องพระราชธิดาทั้งสองนั้นได้ทรงคิดกันว่าควรจะนําของทั้งสองอย่างนี้ไปบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเป็นการสมควรรั้นคิดดังนี้แล้วจึงกราบสูลพระราชบิดาว่าถ้าแต่เสด็จพ่อข้าพบ่า ท, ทั้งสอง จะเอาไม้แก่นจันแดงและดอกไม้ทองคำบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าทํมชุมมาราบทรงสดับดังนั้นก็ประทานอนุญาตพ่ดีแล้วเมื่อพระราชบิดาทรงอนุญาตแล้วพระราชธิดาองค์ใหญ่ก็โปรดให้คนบดแก่นจันแดงให้เป็นผงละเอียดบรรจุลงในพระอกทองคำแล้วให้คนถือไป ฝ่ยพระราชธิดาองค์น้อยก็ทรงนำดอกไม้ทองคำทำเป็นมาลาปิดตววอกแล้วบรรจุลงในพระอกทองคำเช่นเดียวกันแล้วพระธิดาทั้งสองก็เสด็จไปสู่เขมาวาโนทยานบูชาสมเด็จพระทธภลญาณและต่างก็ตั้งปรารถนาตามความประสงค์ของตนของตนกล่าวคือพระราชธิดาองค์ใหญ่ ได้น้อผมผงแก่นจันแดงเข้าไปบูชาพระพุทธสตรีระซึ่งมีวันณะดุดดั่งทองคำของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำผงแก่นจันแดงที่ยังเหลืออยู่นั้นไปโปรยลงในพระคันทักุดีโดยตั้งปณิธานความปรารถนาว่าด้วยเดชานุภาพแห่งบุญกุศล ที่หม่อมฉันได้บูชาพระองค์ผู้เป็นพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนี้ขอให้หม่อมฉันได้เป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์นี้ในอนาคตการเบื้องหน้านั้นด้วยเถิดฝ่ายพระย ม, มามาน ร, ราชกุมารีผู้เป็นราชธิดาองค์น้อยก็ได้พร้อมกันนำดอกไม้ทองคําที่ทำเป็นมาลาสำหรับปิดทรงอก เข้าไปบูชาพระวิปัสสีสำมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแล้วตั้งปณิธานความปรารถนาว่าด้วยเดชานุภาพบระราณิสงฆ์ที่หม่อมฉันได้บูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกไม้ทองคำในคราวนี้ขอบุญกุศลนี้จงให้มีดอกไม้ทองคำประดับที่ซวงอกของหม่อมฉันในอนาคตการเบื้องหน้านั้นด้วยเถิด ฝ่ายสมเด็จพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกทั้งสามคือกามโลกรู ป, ประโลกอรู ป, ประโลกจึงทรงอนุโมทนาว่าข้อเธอทั้งสองได้ประดิสถานการบูชาอันใดแก่เราในพบนี้ด้วยอนุภาพแห่งการบูชานี้จงมีวิบากผลขอให้ปณิธานของพระราชกุมารีทั้งสอง จงสําเร็จดังความปรารถนาเถิดพระราชกุมารีทั้งสองก็กราบถวายบังคมลากลับสู่พระราชฐานแล้วทรงดํารงพระชนมายุอยู่ตลอดกาลนานเมื่อสิ้นพระชนมายุสังขารแล้วก็ได้ไปอุบัติเกิดขึ้นในสวงสวรรค์ต่อจากนั้นพระราชกุมารีองค์ใหญ่ได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ และโลกตะวันตลอดกาลนานรั้นมาถึงกับที่เก้าสิบเ็ดนี้จึงได้มาเกิดเป็นพระชนีมารดาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายส่งพระนามว่าพระนางสิริมห า, มายาฝ่ายพระราช ก, กุมารีอง์น้อยได้ท่องเที่ยวเวียน่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์และสวรรค์เหมือนกันรั้นมาถึงศาสนา ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางก็ได้เกิดมาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิงกิสราชทรงพระนามว่าพระนางอุรัชชาคําว่าอุ ร, ระแปลว่าอกอัชชาแปลว่าเครื่องแต่งตัวหรือแปลว่าผ้าสําหรับปิดบังก็เพราะความที่พระนางอุรัชชาานั้น มีดอกไม้ทวงคําประดับอยู่ที่ทรวงอกเป็นนิตยาการราวกับว่ากระทําขึ้นด้วยจิตกรรมพอพระเยาวมานมีพระชนได้สิบหกพัรษาก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันในเวลาได้สดับย์พัานาโมทนาแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อพระราชนบิดาได้นิมนต์พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเสวยพระกยายารอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระนางได้ฟังคำอนุโมทนาของพระองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สามารถทำลายอนุสัยกิเลสให้หมดสิ้นไปจากขันธะสันดาลแล้วจึงทูลขอบรรพชาต่อมาก็ได้เข้าสู่พระนิพพานดวงลับไปและพระเจ้ากิงกิสราชนั้นยังมีพระราชธิดาอยู่อีกเจ็ดพระองค์ ทรงพระนามว่านางสัมมณีหนึ่งนางสมัพุทธตาหนึ่งนางพิกุณิหนึ่งนางพิกุทาศิกาหนึ่งนางธรร ม, มาหนึ่งนางสุธรร ม, มาหนึ่งนางสัมฆาทาสีหนึ่งครั้นต่อมาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย นางทั้งเจ็ดนั้นได้มาเกิดเป็นนางเขมาหนึ่งเป็นนางอุบลบันนาหนึ่งเป็นนางปะตะจาราหนึ่งเป็นนางโกตมีหนึ่งเป็นนางธรร ม, มาตินาหนึ่งเป็นนางสิริมหามายาหนึ่งและก็เป็นนางวิสาขาหนึ่งนี้เป็นเรื่องของพระราชธิดาองค์เล็กของพระเจ้าพรมทุ ม, มาราชจบเพียงเท่านี้ ต่อไปก็จะได้กลับมากล่าวถึงเรื่องของพระราชธิดาองค์ใหญ่หรือในครั้งนั้นพระราชธิดาองค์ใหญ่ซึ่งได้บูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยผมเกียนจันแดงนั้นเมื่อได้เกิดเป็นนางสุธรร ม, มาพระราชธิดาของพระเจ้ากิณกิศราชดังที่กล่าวมาแล้วและเมื่อพระนางสุธรร ม, มาสิ้นพระชนก็ได้ขึ้นไปเกิดเป็นมเหสี ของเท้าโกสีสักกะเทวราชในดาวดดมสวงสวรรค์ทรงพระนามว่าพระนามพุทธดีก็การที่พระนามมีพระนามว่าพุทธดีนั้นก็เพราะทรงมีผิวพันธ์อันมีสัมผัสอ่อนนุ่มและเพราะความที่เป็นผู้มีสรีระดุดประพรมด้วยแก่นจันแดงทั้งนี้ก็โดยอานิสงส์แห่งการบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยผมแก่นจันแดงนั่นเองพระนางผุดศรีนั้นเมื่อใกล้จะสิ้นอายุไขจะจุติจากเทวโลกซึ่งโดยปกติเมื่อเทวดาจะสิ้นอายุไขจุติคือตายจากเทวโลกนั้นก็จะมีนิมิตอันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกอยู่ด้วยกันหประการในบรรดานิมิตห้าประการนั้นประการแรก มารามิรายันติดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งสองวัฏฐานิกิเลสสันติผ้าย่อมเศ้าหมองสกัดเฉหิเสทามุตยันติเงอย่อมไหลออกจากรับแร้สี่กาเทยทุพันนิยังปอกกรมติผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย ถ้าเทวาเนนาภิรมติย่อมไม่ยินดีในทิพยาอาธของตนในบรรดานิมิตทั้งห้าประการนั้นมีคำอธิบายว่าประการแรกมารามิรายันติดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งคือดอกไม้ที่เทพบุตรเทพพัิดาเหล่านั้นประดับอยู่จะเหี่ยวแห้งคือหมดความงดงาม เป็นเหมือนกับดอกไม้ที่ถูกจับโยนลงไปในที่แดดในเวลาเที่ยงวันจึงเหี่ยวแห้งไปไม่สดชื่นสองวัถานิอิริสสันติผ้าย่อมเศร้าหมองอธิบายว่าเสื้อผ้าอาพรที่เทพระบุตรเทพพธิดาเหล่านั้นนุ่ห่มอยู่ปกติจะมีสีเหมือนแสงอาทิตย์อ่อน ที่ทอแสงอยู่ในอากาศที่ปราศจากเม็หมอกในสาระสมัยคือในฤดูร้อนสีของเสื้อผ้าอาพรเหล่านั้นจะเศร้ามองและจางลงไม่แวววาวเป็นเหมือนกับถูกโยนลงไปน้ำโคลนแล้วขย่ำเลยทีเดียวสามกัดเฉหิเสทามุจจันติเงื่อย่อมไหลออกจากรักแรกอธิบายว่า ในเวลาก่อนที่จะตายนั้นอยากเหนือได้หลังไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างของเทพบุตรเทพปิดาเหล่านั้นทั้งๆ ท, ที่ปกติเทพปรบุติเทพปฏิดาเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ปราศจากเหนือใครมาก่อนคือมีสภาพเป็นเหมือนแก้วมณีที่บริสุทธิ์ดีโดยกาเนิดเป็นเหมือนลูกรอยทองคำที่ศิลปินผู้เชี่ยวชาญตกแต่งไม่ดีแล้ว และมิใช่ว่าเหนือใครจะไหลออกจากรับแร้อย่างเดียวเท่านั้นแต่จะไหลออกจากร่างกายทุกส่วนของเทพบุตรและเทพพธิดาเหล่านั้นโดยที่ร่างกายของเทพบุตรเทพพธิดาเหล่านั้นเป็นเสมือนกับหนักตึงด้วยข่ายที่ประดับประดาด้วยมุกดาที่ตนประดับแล้วประการที่สี่กาเยทุพันนิยังโกกรรมัมติ ผิวพันเอ้าหมองย่อมปรากฏที่กายอธิบายว่าในตอนแรกที่อุบัติเป็นเทวดาจะมีรัศมีพวยพุ่งออกมาจากร่างกายมีความยาวหนึ่งยอบ้างสองยนดบ้างจนถึงมีประมาณสิบสองยอตามกําลังอนุภาพแห่งตนเทวดาเหล่านั้นจะปราศจากความชราภาพปราศจากอาการฟันหะผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นต้น อีกทั้งความหนาวความร้อนก็ไม่เข้าไปกระทบกระทั่งผิวกายถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็นเหมือนเทพธิดารุ่นสาวอายุราวสิบหกปีถ้าเป็นเพศชายก็จะเป็นเหมือนเทพพระบุตรรุ่นหนุ่มอายุราวยี่สิบปีแต่เมื่อเวลาใกล้จะตายรูปร่างก็ผิดแปลกไปมีความขี่เลเข้ามาแทนที่ คือรัศมีก็จะสิ้นไปผิวหนังจะเหี่ยวยน่นความหนาวความร้อนเข้ากระทบกระทั่งผิวกายได้ประการที่ห้าเทวาสเสนนาพิรมติย่อมไม่ยินดีในทิพยาอาจของตนอธิบายว่าเทวดาผู้ใกล้จะตายจะไม่ยินดีไม่ชื่นใจในที่พระอา ไม่ยินดีในการเล่นไม่ยินดีในการบำรุงบำเรอจากหมู่สาวสวรรค์ของตนก็ปุพหานิมิตเหล่านี้ย่อมปรากฏแก่เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ทั้งหลายเท่านั้นปุพมาเหมือนกับนิมิตแห่งอุกาบาทหรือนิมิตแห่งแผ่นดินไหวนิมิตแห่งจันทราค่าเป็นต้นย่อมปรากฏแก่มนุษย์ผู้มีบุญใหญ่เช่นปรากฏแก่พระราชาปรากฏแกาา่มหาอำมาต และพวกหมอโหราศาสต์เป็นต้นเท่านั้นแต่ย่อมไม่ปรากฏแก่สามัญชนทั่วๆไปหรือไม่ปรากฏแก่ชาวนาชาวไร่เป็นต้นกุพนิมิตแห่งมรณะเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันคือจะไม่ปรากฏแก่เทวดาผู้เกิดด้วยกุศลธรรมอย่างอดแต่จะปรากฏแก่เทวดาผู้มีมีเหตุศัก์ทั้งหลายหมายถึงเทวดาผู้มีศักด์ใหญ่ ด้าบุพพนิมิตเหล่านี้ปรากฏขึ้นแล้วเทวดาเหล่านั้นก็ย่อมเข้าไปสู่สวนนันทวันเพื่อรอการจุติพระอจักถาจาร์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าสวนนันทวันนั้นมีประจำอยู่ในเทวโลกทุกชั้นเลยทีเดียวเ้าสักกะเทวดาด้วยความที่เป็นเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่จึงทรงเห็นบุพพนิมิตเหล่านั้นของพระนามพุทธี ซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระองค์จึงได้ทรงนำพระนางไปประทับณที่บรรทมอันมีอยู่ในสวนนันทวันอุทยานแล้วจึงมีเทวะองค์การจัดด้วยบทพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าพุทธีวรวันนาเพเป็นอาธิแลความว่าดูก่อนพระนางพุทดีผู้ทรงสีสวภาพ ผู้มีรัศมีแห่งผิวพันธ์อนุดงามบัดนี้พระน้องนามจะต้องจากพี่ไปสู่มนุษย์โลกสแล้วพี่จะให้พรทิพย์สิบประการแก่เจ้าขอเจ้าจงเลือกเอาตามความปรารถนาเถิดฝ่ายพระนามพุษดีเทพกัลยายังไม่รู้สึกพระองค์ไม่ทราบถึงปุพพานิมิตว่าจะทรงจุติจากสวรรค์ด้วยสิ้นพระชนมายุแล้ว จึงกราบทูลถามว่าข้าแต่เทวราชเจ้าข้าพระบาทขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าพระบาทได้กระทําความชั่วไว้อย่างไรหรือพระองค์จึงจักให้ข้าพระบาทจุติจากสวรรค์ในครั้งนี้ขอจงตรัสบอกแก่ข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเท้าโกศสีสักกะเทวราชจึงตอบว่าดูก่อนพนองนาฏพุทธี เจ้ามิได้กระทำความชั่วมิได้กระทำบาปไว้แต่อย่างใดและมิใช่ว่าเราจะไม่รักเจ้าก็แต่ว่าเจ้าสิ้นบุญแต่เพียงเท่านี้แล้วเราจรึงกล่าวเช่นนี้กับเจ้าแต่ก่อนที่เจ้าจะพัดพราจากเราไปขอเจ้าจงตั้งใจเลือกรับพรสิประการจากเราณบัดนี้เถิดเมื่อพระนางผุดศรีเทพกลยา ได้ทรงสดับเทวบัญชาอย่างนี้แล้วก็ทรงรู้สึกพระองค์ว่าจะต้องจุติจากสวงสวรรค์เป็นแน่แท้จึงกราบทูลขอพรจากสมเด็จองอมรลินว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมเด็จอมรลินตราธิราชถ้าพระองค์จะเมตตาประทานพรให้แก่ข้าพระบาททั้งสิบประการแล้วไซข้าพระบาทขอรับไว้เหนือกระ้าง เมื่อทรงตรัสเช่นนี้แล้วพระนางพุทธดีก็ได้ทรงตรวจดูพื้นที่ในชมปู่ทวีปและได้เห็นพระราชนิเวศของพระเจ้าสีผีราชเป็นสถานที่อันสมควรแก่พระนางจึงมีความปรารถนาที่จะเป็นอัครมเหสีอยู่ในพระราชนิเวศนั้นจึงตรัสออกไปว่าครสิทิประการที่พระองค์จะเมตตาประทานแก่ข้าพระองค์นั้น พระโพนข้อที่หนึ่งขอให้ข้าพบาทได้เป็นพระอัครมเหสีของพระราชาในประเทศสีพีอันมีพระเกียรติยศสูงสักบริบูรณ์ด้วยสัพพะสมบัติทุกประการซึ่งมีหมู่นกยูงและนกกระเรียนร่ำร้องอยู่ในพระราชนิเวศทั้งเกื่อนกรนไปด้วยสนมนารีเป็นอันมากพระโพนรข้อที่สองขอให้ข้าพบาท มีในตาดำใสสะอาดเหมือนในตาของลู ก, กวางที่มีอายุหนึ่งขวบปีพระพรข้อที่สามขอให้ข้าพระบาทมีขนคิ้วดกดำงามเหมือนกับปีกมแมลงทับทองพระพรอข้อที่สี่ขอให้ข้าพระบาทถึงได้เกิดในพระราชนิเวศโดยมีนามว่าพุษฎีเหมือนอย่างเดิมพระพรข้อที่ห้า ขอให้ข้าพบาทได้พระราชโอรสอันเป็นผู้เิฐด้วยบุญบารมีปราศจากความตรณีมีความเกื้อกูลแก่ยาจกทั้งหลายและเป็นผู้มีเกียรติยศอันยิ่งใหญ่เป็นที่บูชาของพระราชาทั่วไปพระพรข้อที่หกเวลาข้าพบาททรงตั้งครันขออย่าให้ท้องนูนขึ้นเหมือนสามัญสตรีอันดูเป็นที่น่าเวทนา ขอจงให้ท้องของข้าพบาทกลมกล่อ ม, มเหมือนกับลูกสนอันช่างผู้ฉลาดในการเหลาได้กระทำให้เกลี้ยกล่อดีแล้วพระพรข้อที่เจ็ดขออยากให้ฐานทั้งคู่ของข้าพบาทหย่อนยานขอจงให้ปรากฏปานดั่งดอกบัวตูมพระพรข้อที่แปดขออยากให้ผมของข้าพบาทปรากฏงอกเหมือนคนทั้งหลายพระพรข้อที่เก้า ขอให้ร่างกายของข้าพบาทมีผิวละเอียดเกลี้ยงเกลาจนปุจและอองตกต้องแลว้วไม่ติดค้างอยู่ได้พระพรข้อที่สิทธขอให้ข้าพบาทได้มีโอกาสปลดเปลื้องคนที่กระทำความผิดอันมีโทษถึงชีวิตจากพระราชอาญาดังนี้เมื่อเท้าสักกะเทวราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของพระนางผดีดังนี้แลว้ว จินตรัดว่าดูก่อนน้องรักผู้มีผิวพักอันผุดพองทั่วองค์อันพรพรทั้งสิบประการนี้จงมีแก่เจ้าในแว่นแฟน้นแดนพระเจ้าสีผีจงทุกประการเถิดครั้นตรัสประสาทพรแก่พระนางพุทธดีเทพอักษรดังนี้แล้วเท้าสักกะเทวราช ก, ก็มีจิตชื่นบานโสมนัสยินดี จบเรื่องพระนางผุษสดีได้ทูลขอพระพรจากเท้าโกศีสักกะเทวราชซึ่งเรียกในเรื่องมหาชาติว่าการทุศพรแต่เพียงเท่านี้เชิญทับฟังกันที่สองอิมมพานเป็นลำดับสืบต่อไป